จะมีทาหารเข้ามามากมายในอนาคตประการวันข้างหน้าต่อไปประการที่สมก็บอกไว้ชัดบอกว่าจะมีท่านเจ้าคุณอาจารย์โดยเจ้าพระคุณต้นเดชโตมีญาติของท่านจะเอามาไว้ในโรงโบสถ์ในปีพศ .2330 ดังที่กล่าวเช่นเดียวกันเหตุการณ์ก็ตรงมาตามหมายอย่างที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันพอดีในเวลาการต่อมาโอโบสถ์หลังเก่า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 ยาขนเจริญุญสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์ท่านกล่าวไว้ชัดแล้วก็ได้ความหมายเต็มไปด้วยเหตุผลข้อเท็จริงดังที่กล่าวมาแน่วทุกประการนอกเหนือจากนั้นยังมีทติถึงน้องทงั้งหลายมาร่วมการสนับสนุนคือโลกมนุษย์นี้อยู่ด้วยจิตใจใจสะอาดด้วยเมตตาอาลีกันมาตัางหลายอาดีตแต่ ท, าทา่าแน่จึงจะมาช่วยการสนับสนุนทําให้วัดของเราเกิดหอ p ประชุมขึ้นมาหลังจากเวลาการที่จะมา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 ด้วยบุญกุศลโยนย้อนกลับมาหาท่านทุกท่านตรงประสบแต่ความสุขสนิดันดร์อจงเจริญจตุพิธพรชายส่ประการมีอายุขอให้ ย, ยืนนานวันโนผิวพันธ์ของใสสุขรังคอยจุบภาพกายอนามัยทุกท่านโปรดได้ใจดีโรคภัยเยเจ็บของท่านมีก็จงหายสิ่งทั้งร้ายที่ท่านคิดไว้ณนะบัดนี้